กราบขอาการจากหลวงพอ่อทบินครับกราบขอาการจากพระอาจารย์ทรงศิล์แล้วก็ขอากาสจากเพื่อนสาธรรมิกเจริญพรมาแม่ชีนะฮะแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมกัน ก, นกนน็นั่งกันตามสบายเนาะนั่งกันตามสบายเรามาปฏิบัติธรรมกัน เป้าหมายของการปฏิบัติธรรมก็ต้องชัดเจนเนาะตรงที่เราจะต้องพาตัวเองให้ทุกน้อยลงเนาะทุกน้อยลงเป็นลำดับตรงเนี้ยต้องต้องเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราไว้ก่อนก็มีเรียกว่ามีคำถามเนาะอยู่เป็นประจำเนะาะที่นี่ปฏิบัติกันยังไงยุบหนอพองหนอไหมหรือว่าที่นี่ปฏิบัติธรรมกันยังไง นะมีการยกย่างเหยียบอะไรหรือเปล่าเนาะที่นี่ทำกันยังไงตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่านั่นคือเป็นรูปแบบเนาะแต่ว่าผลของการกระทำเนี่ยก็คือทำยังไงให้ชีวิตเราทุกน้อยลงชีวิตเราทุกน้อยลงก็หมายถึงว่าทุกๆวันของเราตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยนะเราเคยมีทุ ก, กันเนาะ เนี่ยทุกตรงนั้นเรารู้กันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะถ้าหากว่าเราเนี่ยได้เห็นทุกของเราตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยเนาะแล้วเราก็มองเห็นว่าชีวิตเราทุกมันเยอะนักนะอนนั้นบางทียุงกัดก็ทุกแล้วเนาะยุงบินตอมก็ทุกแล้วอย่างเงี้เนาะเห็นฟ้ามืดมาก็ทุกแล้วเห็นแดดจ้ามาก็ทุกแล้วอะไรเงี้ย ถ้าหากว่าชีวิตรเราเป็นแบบนี้เนี่ยเนาะเราเองเราจะปล่อยให้ชีวิตรเราเป็นแบบนี้ไหมเดี๋ยวซ้ายและ ข, ขวาก็เจอแต่ทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยตรงนเนี้ยเนาะก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยเรามันก็อาจจะผ่านเลยไปเพราะเนื่องจากว่าชีวิตรเราก็จะมีการดิ้นรนทำนู้นทำนี่เนาะอยู่เป็นประจำเดี๋ยวพุดลุกเดี๋ยวพุดนั่งนะเนาะเดี๋ยวอยากทำมันนู่นเดี๋ยวอยากทำมันนี้สิ่งต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ย เรียกว่าถ้าเกิดว่าเรามองกลับมากันเนาะเรามองกลับมาดูกันจริงๆนี่มันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นทุกข์ของชีวิตเราหรือเปล่าเนาะมันเป็นสิ่งที่ชีวิตเราต้องมีแบบนี้กันหรือเปล่าหลวงพ่อกำเขียนเนาะก็จะบอกเอาไว้บอกว่าชีวิตเราเนี่ยมีสิทธินะ์ที่จะไม่ทุกข์เราได้ใช้สิทธิ์อันนั้นกันแล้วหรื อ, อยังตรงเนี้ยสาคัญเนาะสคัญว่า เราแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปเนาะถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ได้มองกลับมาที่ตัวเราเองเนาะตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยชีวิตเราเนาะก็จะมีแต่ดิ้นรนเนาะจมอยู่กับความทุกข์ต่างๆนานาตงเรียกว่าตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยตั้งแต่ตื่นจนหลับนั่นนั่นคือตรงเนี้ยเนาะว่าจะเป็นสิ่งที่ตื่นขึ้นมาก็กลัวไม่ทันเนาะใช่ตะลีตะลานลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมาอาบน้ำแต่งฟันต่างๆนานาเหล่านี้ก็คิดไปล่วงหน้าเนาะเอ๊ะเดี๋ยวจะเจออะไรเดี๋ยวจะต้องทำอะไรยังไงต่างๆชีวิตเราเนี่ยจะเป็นอย่างนี้กันตลอดเนาะแต่ว่าเราได้เห็นกันหรือเปล่าตรงเนี้ยสำคัญมากๆเลยการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะฝึกเนาะก็เรียกว่าฝึกมองกลับมาที่ชีวิตเราเนาะเราจะฝึกสิ่งที่เราเรียกว่า สติเนาะสติตรงเนี้ยก็เรียกว่าเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นเครื่องมือที่จะเห็นธรรมในตัวเราเนาะเครื่องมือตัวนี้ที่เรียกว่าสติเนี่ยจะเรียกว่าเป็นดวงตาก็ได้เราไม่เอาสติใช้ทาอย่างอื่นเนาะแต่ว่าเราจะเอาสติเนี่ยเป็นดวงตามองมาเห็นธรรมในตัวเราเนาะคว่ามีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยก็หมายถึงอย่างนี้เนาะหมายถึงว่า เราจะต้องพัฒนาสติที่เรามีอยู่เนี่ยเพื่อที่จะมองกลับมาเห็นความเป็นไปของกายเห็นความเป็นไปของใจในตัวเราตรงนี้สําคัญที่สุดก็คือการฝึกหัดกันการหัดเนาะภาวนาการหัดเจริญสติเนาะไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องหัดตรงนี้ละหัดที่จะเป็นผู้ดูเนาะหัดที่จะเป็นผู้ดู เระเนื่งจากว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เข้าไปเป็นผู้เป็นทุกขนะ์เนาะเป็นทุกข์อย่างที่บอกเป็นทุกข์กับเรื่องต่างๆนานาร้อนนิดก็ทุกข์หนาวหน่อยก็ทุกขนะ์เนาะอยนั้นเพราะฉะนั้นก็คือตรงเนี้นะว่าเราจะหัดกันแล้วก็หลวงพ่อเทียนเนี่ยก็จะสอนเนาะเรื่องการที่เราเรียกว่าเจริญสติตรงเนี้ยผ่านความเคลื่อนไหวถ้าหากว่าเราเนาะ ได้อาศัยความเคลื่อนไหวของเราทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยเป็นเครื่องมือในการเจริญสติได้เนี่ยตรงเนี้ยสติเราเนาะก็จะเข้มแข็งเข้มแข็งตรงเนี้ยหมายถึงว่าเราก็จะมีดวงตาเนี่ยที่คอยเห็นความเป็นไปของกายเราของใจเราเนี่ยทั้งวันตรงเนี้ยคือสิ่งที่เราจะทำผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวให้เอาใจมาคอยรับรู้เนาะตรงเนี้ย เมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้เราก็จะฝึกถัดกันเนาะเรียกว่าในรูปแบบที่เราเรียกว่า14จังหวะเนาะตรงเนี้ยผ่านการเคลื่อนไหวเป็นครั้งครั้งครั้งครั้งมีการเคลื่อนมีการหยุดมีการเคลื่อนมีการหยุดตรงเนี้ยผ่านการที่เราเนี้ยคอยดูอย่างเนี้ยเนาะคอยดูแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเนาะว่าใจ เราคอยรับรู้ความเคลื่อนไหวของกายหรือเปล่าตรงนี้บางทีเราก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้กันแต่ว่าตรงเนี้หลวงพ่อเทียนก็จะบอกนะบอกว่าถ้าเผลอไปคิดเนาะก็กลับมารู้สึกตัวกันใหม่ถ้าเผลอไปคิดก็กลับมารู้สึกตัวกันใหม่พอมีคําว่าเผลอไปคิดเนี่ยเราก็จะค่อยๆเห็นนะว่าการที่เรายกมือแต่ละครั้งยกแล้วก็หยุด มีการเคลื่อนมีการหยุดมีการเคลื่อนมีการหยุดแต่และครั้งบางครั้งก็จะมีเรียกว่าความคิดที่แทรกเข้ามาเมื่อมีความคิดที่แทรกเข้ามาเนี่ยความตั้งใจที่จะหัดของเราเนี่ยก็จะยืนยันต่อไปเนาะแล้วก็จะกลับมารู้สึกตัวกันใหม่กลับมารู้สึกตัวกันใหม่ตรงเนี้ยนะก็จะเป็นสิ่งที่ทเมื่อไก่เคลื่อนไหวเนี่ยเราก็จะได้เห็นเนาะว่าเออนี่มันมีใจอีกตัวนึงเนาะที่ขอยคิดนึก แต่ทำนองเดียวกันเนี่ยเราจะฝึกเขาเรียกว่าฝึกใจเราให้ใจเราเนี่ยมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราหัดให้เป็นนิสัยใหม่การหัดให้เป็นนิสัยใหม่ตรงนเนี้ยเนาะก็หมายถึงว่าเราก็ต้องตั้งใจตั้งใจทำกันให้จริงจังถ้าหากว่าเราไม่ทำกันจริงจังก็เรียกว่านิสัยเก่าของเราที่จะเป็นนิสัยหาทุกข์ใส่ตัวเนี่ย ก็จะกลับเข้ามาครอบครองการหาทุกใส่ตัวหมายถึงยังไงหมายถึงว่าเราก็จะหลงไปคิดเนาะอย่างที่บอกเนาะยุงกัดเนาะก็อาจจะคิดต่อไปเดี๋ยวจะเป็นอืมเขาเรียกว่าโรคไข้เลือดออกหรือเปล่าหรืออะไรยังไงต่างๆนานาเหล่านี้เนาะเอยุงตัวนี้มันเป็นยุงอะไรยังไงต่างๆนาน า, น า, นานตรงเนี้ยเนาะเขาก็เรียกว่า เวลาที่เราเผลอไปคิดเนี่ยเราจะไม่รู้สึกตัวเนาะหรือว่าเรียกว่าเราหลงไปอยู่กับความคิดเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยเวลาที่เรากลับมารู้สึกตัวใหม่เนี่ยช่วงเวลานั้นเราก็จะแย่งเวลาที่เราหลงเนี่ยกลับมารู้สึกตัวเวลาที่เรารู้สึกตัวเราก็จะไม่หลงเวลาที่เราหลงเราก็จะไม่รู้สึกตัวเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยเนาะจะเป็นสิ่งที่ความหลงเนี่ยเป็นนิสัยเก่าแต่การสร้างนิสัยใหม่ ก็คือ น, นิสัยที่กลับมารู้สึกตัวเนะเราจะสร้างนิสัยอันนี้ได้ยังไงก็ต่อเมื่อว่าเราอาศัยสิ่งที่หลงพระเทียนเนี่ยมอบให้ก็คืออาศัยความเคลื่อนไหวที่เรามีในรูปแบบนี้ไปก่อนเนาะในรูปแบบแบบนี้เราอาจจะนั่งยกมือสร้างจังหวะกันเนะหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่นั่งยกมือสร้างจังหวะกันเราก็จะเดินจงกรมกัน เราจะเคยเดินเนาะที่เรียกว่าเดินกันมาแต่เล็กแต่น้อยแต่ว่าเราก็เดินไปคุยกันไปเดินไปสนใจอานนณนอันนี้ไปใจไม่เคยอยู่กับการเดินเพราะนัน้นคือตรงนี้เนี่ยการเดินในเวลาที่ผ่านมาก็อาจจะเกิดทุกข์เกิดโทษเนาะกับเราอาจจะเป็นขาพลิกขาแพลงบ้างเนาะอาจจะเสียตังค์ซื้อของบ้างอะไรต่างๆนาน า, นาแต่ตรงนั้นก็หมายความว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษ เกิดตืดเนือล้อนใจไม่มากก็น้อยจากการเดินแต่ว่าถ้าหากว่าเราเดินเนาะการเดินอาศัยการเดินการเคลื่อนไหวของการเดินเป็นการเจริญสติตรงเนี้ยเนาะเราก็จะได้ก็เรียกว่าเราก็จะได้เพิ่มพูนเนาะทำในตัวเราเนาะทุกก้าวเดินเนาะทุกก้าวเดินทุกก้าวย่างของเรามีการก้าวมีการกระทบสัมผัสเนาะเท้ากระทบพื้นก็มี ขาย่างก็มีตรงเนี้ยเนาะมีความเคลื่อนไหวมีการกระทบสัมผัสตรงนี้ถ้าหากว่าเราเอามาเป็นความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็จะได้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติการเคลื่อนไหวครั้งหนึ่งเนาะก็จะมีสติเนี่ยคอยรับรู้การเคลื่อนไหวครั้งหนึ่งนะก็จะมีสติเนี่ยคอยรับรู้รับรู้ว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยใจเนาะมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายหรือเปล่า หรือว่าตอนนี้เนี่ยใจเผลอไปคิดหรือเปล่าไม่ว่าจะใจเผลอไปคิดไม่ว่าจะใจมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าสติก็ทำหน้าที่ของตัวเองทั้งหมดทุกครั้งที่สติทำหน้าที่ทุกครั้งที่สติทาหน้าที่เรียกว่าสติก็ได้ฝึกเนาะฝึกก็เรียกว่าฝึกแต่ละครั้งแต่ละครั้งฝึกหลายๆครั้งเนาะก็เรียกว่าสติก็จะทางานคล่องขึ้นคล่องขึ้น จริงอยู่เนาะเราก็เกิดมามีสติติดตัวกันมาถ้าหากไม่มีสติเราก็เสียสติถ้าเสียสติเราก็ไม่มีโอกาสที่จะมานั่งกันอยู่ตรงนี้นั่นนั่นคือตรงเนี้ยเรามีสติติดตัวแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราไม่เคยได้เอาสติมาใช้อย่างจริงจังแต่ว่าตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อเทียนเนาะก็เป็นคนชี้บอกการที่เราจะมีดวงตาเห็นธรรมได้ ตรงนี้ละก็คือเครื่องมือที่เรียกว่าสติเนาะในพุทธการเราอาจจะได้ยินว่าอ๋คนนี้มีดวงตาเห็นธรรมคนนั้นมีดวงตาเห็นธรรมตรงเนี้ยสตินี่แหละเป็นเครื่องมือที่จะมองกลับมาเห็นความเป็นไปของกายเราเห็นความเป็นไปของใจเราการที่มองกลับมาเห็นความเป็นไปของกายเราเห็นความเป็นไปของใจเราจะสาคัญยังไง เระเนื่งองจากว่าตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยเกิดมามีกายมีใจเนาะตรงนี้สําคัญที่สุดก็คือเรามีเครื่องมือในการทําดีของเราเนี่ยผ่านกายผ่านใจของเราแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเนี่ยได้อาศัยกายเราใจเราเนี่ยทำคุณงามความดีแล้วหรือยังยวันคืนล่วงไปล่วงไปเนี่ยเราได้อาศัยกายเราใจเราตรงนี้ทําความดีกันหรือเปล่า ถ้าหากว่าเรายัางปล่อยใจเราให้หลงไปอาจจะหลงไปอยู่กับความโกรธเนาะอาจจะหลงไปอยู่กับความโลภเนาะอาจจะหลงไปอยู่กับความหลงอะไรก็ไม่รู้นะตรงนั้นเนี่ยใจเราเนี่ยได้ทําคุณงามความดีหรือเปล่าเราได้ฝึกจิตเนาะของเราให้เป็นจิตที่ดีงามไหมหรือว่าจิตของเราพอโลภขึ้นมาก็จากจิตปกติก็กลายเป็น เขาเรียกว่าคนใจดําอย่างเนี้ยพอเป็นคนใจดําเราก็อาจจะไม่พอใจตัวเองแต่ก็ไม่รู้จะจัดการยังไงกับตัวเองหรือว่าตรงนี้เนี่ยกายเราเนาะทุกวันนี้เนี่ยเราใช้กายเราเนี่ยทำคุณงามความดีแค่ไหนเนาะเรามีตาตาเราเวลามองไปเนี่ยเรามองเห็นสิ่งดีๆหรือว่าเรามองเห็นสิ่งที่น่าตำหนิกันเรามีมือเนาะ เราเอามือเนี่ยทำคุณงามความดีหรือว่าเราเอามือเนี่ยทำสิ่งที่เป็นเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเราทานองเดียวกันขาเราก็เหมือนกันเนาะเราเก้าวไปเนี่ยแต่ละก้าวแต่ละก้าวเนี่ยเราเก้าวไปหาสิ่งที่ดีงามหรือว่าเราเก้าวไปหาสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราแปลกเปื้อนนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยจะอาศัยกายนี้ใจนี้เนี่ยทำคุณงามความดี เพื่อให้เราเนี่ยได้มีชีวิตที่ไม่มีทุกเนี่ยเราจะทากันยังไงเราก็ต้องฝึกกันเนาะฝึกกันฝึกเริ่มต้นจากการฝึกจิตเนาะเนื่องจากว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าหากว่าเราไม่ฝึกจิตให้ดีเนี่ ย, ยนี้เนี่ยก็ถูกจิตที่มีกิเลสครอบงำเนี่ยเอาไปใช้ทั้งหมดวันนั้นนั่นคือเราก็แก่ไปวันวันหนึ่งแก่ไปธรรมดาแก่ไปวันวันหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่ ยังมีก็เรียกว่าเบียดเบียนตัวเองเนาะเกิดมีโรคภัยไข้เจ็บเนาะต้องมานั่งเยียวยากันตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เสียเวลาแทนที่เราจะเอากายนี้ใจนี้เนี่ยไปใช้เนาะทำประโยชน์ทําคุณงามความดีกันเราก็เสียโอกาสกันนั้นนั่นคือตรงนี้ให้พวกเราเนี่ยได้ลองสังเกตดูช่วงเวลาที่พวกเราเนาะมาอยู่กันที่วัดตรงนี้เนี่ย ในขณะที่พวกเราหัดรู้สึกตัวกันเราอาจจะมีความคิดว่ารู้สึกตัวเป็นยังไงรู้สึกตัวทำยังไงทำยังไงถึงจะรู้สึกตัวเอ๊ะหรือความรู้สึกตัวเป็นยังไงกันตรงนี้เนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทั้งหมดนะเนาะแต่ว่าขอให้พวกเราเนี่ยได้ลองยกมือสร้างจังหวะกันก่อนลองอาศัยกายที่เคลื่อนไหวตรงนี้ดูก่อนลองอาศัยวันทั้งวันเนี่ยเนาะสหรับการที่เราจะ ใช้เนอะรูปแบบของการเคลื่อนไหว14จังหวะก็ดีรูปแบบของการเดินจงกรมก็ดีเราเนี่ยลองอดทนกันสักนิดหนึ่งเนอะอย่างนั้นแรกๆอาจจะเพิ่มเวลาให้กับตัวเองเนอะลองนั่งยกมือสร้างจังหวะดูสัก15นาทีเนอะยีนาทีหลังจากนั้นเราอาจจะลุกเดินจงกรมเนอะสัก15นาที20นาทีเนี่ยแล้วก็ค่อย เปลี่ยนอิริยาบทกันแต่ถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยได้ลองเนาะลองนึกนึกถึงสิ่งที่พวกเราเคยเป็นกันมาอย่างสมมติหากว่าพวกเรานั่งคุยกันกับเพื่อนบางทีก็นั่งกันไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงคุยกันสบายๆไม่ได้เดือดเนื้อลอนใจอะไรถ้าเรานึกถึงตรงนั้นได้เนี่ยการนั่งยกมือสร้างจังหวะ15นาทีอาจจะน้อยเกินไปแต่ทำไมเราถึงทนไม่ได้ ทนไม่ได้ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกายที่ทนไม่ได้หรือว่าเป็นเรื่องของใจที่ทนไม่ได้ตรงเนี้ยเนาะเราก็จะเอาสติตัวเนี้ยมาเป็นตัวคอยดูสิ่งที่เราเรียกว่าดูที่กายหรือดูที่ใจเนี่ยเราก็ดูกันเป็นแบบนี้เนาะอืม15บนาทีนี้เรายังทนนั่งต่อไปได้หรือเปล่าคำว่าทนนั่งต่อไปได้เนี่ยเกิดความปวดเมื่อยขึ้นมาที่กายเราหรือว่าเกิดความที่ เราทนที่จะนั่งต่อไปไม่ได้กันตรงเนี้เนาะก็จะเป็นสิ่งที่เราก็จะค่อยคลี่คลายเนาะแยกส่วนเป็นส่วนส่วนส่วนที่เป็นเรื่องของกายส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นเรื่องของใจส่วนหนึ่งหลวงพ่อคําเขียนเนาะที่เป็นทุกสิทธิ์ของหลวงพ่อเทียนเนี่ยจะสอนง่ายๆนะบอกว่าอย่าพิ่งลุกถ้าอยากลุกอย่าเพิ่งนั่งถ้าอยากนั่งในที่นี้หมายถึงว่า ในขณะที่เรากําลังเดินจงกรมเนาะถ้าอยากนั่งสร้างจังหวะก็อย่าเพิ่งอีกสักเดี๋ยวหนึ่งเนาะอย่างนั้นหรือว่าในขณะที่เรากําลังนั่งสร้างจังหวะอยู่ถ้าหากว่าเราลุกอยากลุกเดินจงกรมขึ้นมาก็ลุกพลดพลาดขึ้นมาเดินจงกรมเลยตรงนี้ก็อย่าเพิ่งนะลองอีกสักเดี๋ยวหนึ่งอีกสักเดี๋ยวหนึ่งตรงนี้ในขณะที่อีกสักเดี๋ยวหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าเราจะเพิ่มความอดทนให้กับจิตใจเราเพิ่มความอดทนให้กับจิตใจเรา เป็นการฝึกจิตเราตรงนี้เราอาจจะเคยตามใจเราตลอดมานึกอยากกินน้ำหวานนึกอยากกินน้ำเย็นนึกอยากกินขนมนึกอยากกินนั่นกินนี่นึกอยากทำโน้นทานี้เราก็ทำตามอยากกันมาตลอดแต่ว่าตรงนี้เนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยหมายถึงว่าเราลองฝึกฝืนใจกันดูเนาะการที่เราฝึกเนาะตรงเนี้ยฝึกอดทนเอาไว้ก่อนฝึกอดทนเอาไว้ก่อนลองอดทนสักนิดหนึ่งอดทนสักนิดหนึ่งตรงเนี้ยเนาะ มันเป็นการยั้งเนาะเป็นการยัง้งถ้าหากว่าเราทำตามใจตัวเองเนี่ยรับรองได้เลยว่าผลของการตามใจตัวเองเนี่ยจะเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจไม่มากก็น้อยแต่ว่าถ้าหากว่าเราฝึกกันยังนนย้งสักนิดหนึ่งยั้งสักนิดหนึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าการยั้งเป็นนิสัยเน Я, ยี่ยกา culturally. รที่เราใจได้ดวดวนได้เนี่ยรายั้งสักนิดหนึ่งเนี่ยเรื่องที่ใจเร็วดวนได้ก็จะไม่เกิดเพราะนั้นนั่นคือตรงนี้เนาะว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนาะในการฝึกของการอยู่ที่นี่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่คุ้นเคยทั้งหมดพอความไม่คุ้นเคยเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจตามมาเนาะเกิดความอยากความไม่อยากเนี่ยตามมาเกิดความชอบความไม่ชอบเนี่ยตามมาตัวนั้นวางไว้ก่อนเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะเอานิสัยเดิมของเราเนี่ย มาเป็นเครื่องมาเป็นเครื่องตัดสินไม่ใช่เอาความคิดของเราเป็นเครื่องตัดสินเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเรามาฝึกกันฝึกทั้งกายฝึกทั้งใจบางคนอาจจะไม่เคยนั่งเนาะกับพื้นเนาะอาจจะคุ้นเคยกับการนั่งกับเก้าอี้วันแรกๆก็อาจจะมีติดๆขัดๆเนาะนั่งอาจจะต้องขยับกันมากสักนิดหนึ่งแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราลองสังเกตดูกายเราเนาะผ่านไปวั น, นวั น, นึงวันวันึง ร่างกายเราก็จะเส้นสายก็จะยืดได้ดีขึ้นพัฒนาการของการนั่งก็จะดีขึ้นทำนองเดียวกันเรื่องของจิตใจเราก็เหมือนกันเราหัดอดทนแต่วันแรกๆเนาะอดหัดอดทนไว้นิดนึงเราก็จะพบว่าขีดความอดทนของเราก็จะมากขึ้นมากขึ้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เป็นอานิสงฆ์เนาะในการที่เราอาจจะเรียกว่ามีสมาธิเพิ่มขึ้นแต่ว่าตรงนี้เนี่ย ไม่ใช่ว่ามีสมาธิไปเฉยประเนื่อจากว่าในขณะที่เรากำลังเนาะพัฒนาดวงตาเห็นธรรมของเราเนี่ยเราจะเห็นความเป็นไปของกายเราเราจะเห็นความเป็นไปของใจเราตรงนี้เนี่ยการที่เราเห็นอยู่ทุกวันทั้งวันทั้งวันเนี่ยมันจะทำให้เรามีข้อมูลเนาะกับกายกับใจของเราเนี่ยมากขึ้นเราจะรู้จักกายนี้ใจนี้มากขึ้น ก็ตรงนี้นะ่าจะเป็นฐานสําคัญที่จะทําให้เราเนี่ยใช้กายนี้ใจนี้ได้ถูกต้องเนื่องจากว่าหลวงพ่อเขียนนะจะมีข้อสรุปเนาะง่ายๆบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการรับผิดชอบตัวเองถ้าหากว่าเรารับผิดชอบตัวเองได้เนี่ยเราจะไม่ทําให้ตัวเองทุกขนะ์ถ้าเราไม่ทําให้ตัวเราเองทุกข์เนี่ยคนรอบข้างเราก็จะไม่ทุกข์ตามนั่นนั่นคือตรงเนี้ย ดูเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเนาะกับความรู้สึกตัวตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เริ่มต้นจากความรู้สึกตัวเริ่มต้นจากความรู้สึกตัวที่เป็นความรู้สึกตัวซื่อๆเนาะรู้ได้ไหมว่าตอนนี้มือเรากาลังหยุดนิ่งอยู่หรือเปล่า <ๆ S 1> หรือว่าตอนนี้กำลังมีความเคลื่อนไหวอยู่การเคลื่อนการหยุดการเคลื่อนการหยุดตรงนี้เนาะจะย้าบอกแล้วว่านี่คือความรู้สึกตัวแล้วก็นอกเหนือจากว่า เรารู้สึกตัวไปกับกายเราก็จะรู้สึกตัวไปกับใจได้ด้วยอ้อนี่ใจเราเผลอไปคิดเราก็รู้สึกได้นะว่าตอนนี้ใจเรากำลังเผลอไปคิดเราก็ลองสังเกตดูว่าถ้าเรารู้สึกว่าตอนนี้ใจเราเผลอไปคิดเนี่ยเดี๋ยวใจเราก็จะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเองในขณะที่ใจเราเผลอไปคิดเนาะเราก็จะพบว่าตรงนั้นบางทีก็มีความยุ่งยากเกิดขึ้นในใจเราอาจจะมีทุกข์ในใจเรา อตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงตอนนี้ลูกเต้าเป็นยังไงตอนนี้การงานเราเป็นยังไงสิ่งต่างๆาเหล่านั้นเนี่ยมันจะหายไปเมื่อเรากลับมารู้สึกตัวนั้นนั่นคือตรงเนี้ยในช่วงเวลาที่เรารู้สึกตัวเนี่ยถ้าหากว่าเราลองมาสังเกตดูว่าใจเราเป็นยังไงในขณะที่เราหลงไปเราสังเกตดูว่าใจเราเป็นยังไงตรงเนี้ยเราจะพบว่า ในขณะที่เรามีความรู้สึกตัวเนี่ยณนะขณะ น, น, นั้นเนี่ยเราจะไม่คิดให้เป็นทุกข์แต่ในขณะที่เราหลงไปเนี่ยเราจะพบว่าจะมีความทุกข์ที่อยู่กับความคิดเนี่ยเยอะแยะไปหมดนั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็ระบุเอาไว้นะว่าความคิดเนี่ยคือตัวสมุทัยคือตัวต้นเหตุของทุกข์เราลองสังเกตดูว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเนาะนั่นนั่นคือตรงนี้ในเวลาที่พวกเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ จะเป็นเจวันหรือจะเป็นกี่วันก็ดีเราลองสังเกตดูว่าในขณะที่เรากำลังตั้งอกตั้งใจนะที่จะหัดปฏิบัติในขณะที่เราเรียกว่าหัดปฏิบัติกันอยู่เนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเราก็ได้แล้วเรียบร้อยแล้วณนะขณะที่เรารู้สึกตัวทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยตรงนั้นะความไม่ทุกเนี่ยมีกับเราอยู่เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเราไม่ต้องหาว่าเจวันจะได้อะไรแต่ว่าตรงนี้เนี่ย ให้เรากลับมาสังเกตเนาะจุดเล็กๆเนาะของความรู้สึกตัวจุดเล็กๆของความที่เราหลงไปตรงนี้เนี่ยเราลองมาสังเกตดูว่าณนะขณะที่เรารู้สึกตัวใจเราเป็นยังไงณนะขณะที่เราหลงไปใจเราเป็นยังไงถ้าหากว่าเราได้สังเกตตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าการปฏิบัติธรรมในแนวหลวงพ่อเทียนเนี่ยจะเป็นอนิสงส์อย่างมากเนื่องจากว่าเมื่อเรายอมเนี่ยยกมือสร้างจังหวะเนาะ หรือว่ามาเรายอมเนี่ยที่จะเดินจงกรมเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยเราก็ได้รับความไม่ทุกเนี่ยเป็นขณะขณะแล้วอาจจะเป็นแค่เสี้ยววินาทีตัวนั้นก็ยังดีเพราะว่านั่นคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะไม่เคยรับรู้สภาวะนี้เลยเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยให้เราเนี่ยพัฒนาเนาะเาเรียกว่าดวงตาเนี่ยที่เอาไว้เห็นธรรมเราก็จะพบได้ว่าธรรมเนี่ยที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ย เป็นอย่างนั้นจริงๆเรามีเนาะสามารถสร้างสภาวะที่ไม่ทุกเนี่ยให้กับตัวเราได้จริงๆและทํานองเดียวกันเนี่ยเมื่อเราเผลอเนี่ยเราก็จะสร้างสภาวะทุกข์ให้กับตัวเราได้จริงๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยขอให้พวกเราเนาี่ยได้ลองใช้โอกาสเนี่ยเวันที่อยู่ที่ตรงนี้เนี่ยลองสังเกตเนาะเป็นขณะขณะเนาะเป็นครั้งครั้งครั้งครั้งเนาะให้พวกเราเนาี่ย ตัวกันเป็นครั้งครั้งหลวงพระเทียนได้ออกแบบเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนะาะสิจังหวะมีการเคลื่อนมีการหยุดมีการเคลื่อนมีการหยุด อ, อันนั้นก็คือเป็นครั้งเป็นครั้งเป็นครั้งตรงนี้เนี่ยหลวงพระเทียนจะบอกเอาไว้นะบอกว่าให้เรารู้เป็นครั้งครั้งเหมือนโซ่เนาะเป็นครั้งครั้งครั้งครั้งแต่ไม่ได้เหมือนเหล็กเส้นนะเพราะนั้นนั่นคือคําว่าไม่ได้เหมือนเหล็กเส้นเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่า เราจะต้องรู้ให้มันยืดยาวต่อเนื่องกันไปตลอดไม่ใช่อย่างนั้นรู้บ้างก็ดีหลงบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะเนื่องจากว่าไม่ว่าเราจะรู้ตรงนั้นก็หมายถึงว่าสติก็รู้แล้วหรือว่าเราจะหลงสติก็รู้แล้วเพราะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจเพราะในขณะที่เรารู้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าสติทางานเรียบร้อยแล้วการเจริญสติ ก็เกิดขึ้นแล้วการสัมผัสกับความไม่ทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเนาได้ตั้งใจลองตั้งใจเนาะตั้งใจอดทนที่จะทำเนาะตั้งใจเนาะลองฟังดูว่าครูบาอาจารย์เนี่ยแนะนําอะไรบ้างเนาะบางทีครูบาอาจารย์ก็จะได้แนะนําผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นประสบการณ์ตรงเนาะเคยผิดเคยถูกกันมา เพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยเนาะก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราก็จะค่อยได้ยินได้ฟังสิ่งที่ได้ยินได้ฟังทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะเอาไปทำหลวงพ่อเขียนจะบอกเอาไว้ว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนาะเป็นสิ่งที่หลวงพ่อทำถ้าพวกเราทำตามที่หลวงพ่อสอนเนี่ยพวกเราก็จะได้พบกับสิ่งที่หลวงพ่อสอนเหมือนกันตรงที่หลวงพ่อเนี่ยได้สอนมาเนี่ย ก็คือสอนวิธีการที่จะทําให้ไม่ทุกขเนาะทำนองเดียวกันตัวหลวงพ่อหลวงพ่อกําเขียนเนี่ยก็ได้ผ่านเขาเรียกว่าสภาวะของความทุกข์เนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยไม่มีสภาวะทุกข์ให้เราเห็นไม่ว่าจะเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นก็ตามจะฝนตกแดดออกก็อื้มไม่เป็นไรเนาะอย่างนั้นะหรือว่าแม้กระทั่งหายใจไม่ออกก็อื้มไม่เป็นไรเนาะไม่ตายวันนี้เดี๋ยวก็ตายวันหน้านั่นนั่นคือตรงเนี้ยเนาะ ก็ขอให้พวกเราลองสังเกตดูเนาะว่าหลวงพ่อคำเขียนเนาะอาจจะเป็นคนที่ไม่มีทุกข์ให้เราเห็นแต่ว่าท่านเป็นอย่างนี้ได้ยังไงท่านก็บอกแล้วนะว่าเพราะท่านทำเนาะอย่างที่ท่านสอนถ้าหากว่าพวกเราทำอย่างที่ท่านสอนเนี่ยพวกเราก็จะมีความไม่ทุกข์เนาะเป็นสมบัติติดตัวกันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยความไม่ทุกข์มันก็อาจจะเป็นจุดหมายปลายทางเนาะของชีวิตเรา แต่ว่าทุกครั้งที่เรายกมือสร้างจังหวะกันทุกครั้งที่เรายกมือสร้างจังหวะกันตรงนี้เนี่ยความทุกข์ที่น้อยลงเนี่ยจะอยู่กับเราอยู่แล้วเพราะเนื่องจากว่าถ้าเรารู้สึกตัวเมื่อไหร่เวลาที่เราจะเผลอไปทุกข์กับความคิดตรงนั้นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยเราก็เรียกว่าพ้นทุกข์เป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะอยู่แล้วเนั่นนั่นคือตรงนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนเนาะตั้งใจกัน สร้างนิสัยใหม่กันนิสัยที่จะพาตัวเองให้ไม่ทุกเนาะแล้วก็ละทิ้งนิสัยเดิมนิสัยที่ชวนตัวเองทุกในทุกขณะที่เราเหลียวซ้ายแลขวาที่เราได้กลิ่นที่เราได้ยินต่างๆนานาตรงนี้ก็ขอให้ความตั้งใจในการปฏิบัติของพวกเราทุกคนก็ให้เป็นไปเพื่อความไม่ทุกข์ของพวกเราทุกๆคนกนะ็พวกเราก็กลับละพร้อมกัน